Thank you. สวดพิเศษที่เราเพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่ที่ชื่อว่าอภินัปัจเจเวอันนี้เรียกว่าคาถาดับทุกนะอันเนี้ยตมาตั้งชื่อเองนะเป็นคาถาดับทุกดับทุกที่ว่าเนี้ยนะไม่ได้ไหมายความว่าจะไม่เจอความทุกข์กับกาย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 เอาสามข้อนี้ก่อนนะถ้าเราเห็นจริงๆนะไม่ใช่แค่นึกเอาถ้าเรามีคาถาสามข้อนี้อยู่ในใจเนะี่ยมันทุกข์ยากนะทุกข์ยากหมายความว่ายากที่จะทุกขนปะ่วยกายก็ เ, เวลาแก่กเ็เห็นว่าเป็นธรรมดา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 พูอยางนี้งไม่ได้แช่งนะแต่ว่าเป็นการเตือนให้เราไม่ประมาทหลายคนเนี่ยเขาไม่ฉลาใจนะไม่ได้คิดเผื่อไว้เลย ท, ทั้งทั้ที่ก็เห็นอยู่รอบตัวนะว่าเด็กๆลูกหลานของคนนั้นคนนี้ก็ล้มหายตายจากไปหรือว่าคนนั้นคนนี้ก็สูญเสียคนรักสูญเสียพ่อแม่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 ปล่อยวางนะปล่อยวางเรื่องลูกปวางเรื่องอลูกหลานพอบอกให้ปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติที่หน้าแก่หน้านิ่คือขโมยเลยเหมือนก็นไม่ยอมรับนั่นคือหนึ่งวันก่อนที่ธรรมาจะไปเยี่ยมพอธรรมาไปเยี่ยมเนี่ยตอนบ่ายก่อนไปเยี่ยมหมอก็มาบอกว่าเนี่ยเมื่อตอนเช้าเนี่ยมีเพื่อนบ้าน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 ข้อห้านี้ก็มีความหมายมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเรามีกรรมเป็นแดนเกิดนะความหมายง่ายๆเนี่ยเรา ม, มีกรรมเป็นแดนเกิดคือว่าตราแต่ที่ยังทำกรรมอยู่ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วต้องไปเกิดอีกนะทากรรมดีก็ต้องไปเกิดนะแต่ว่าไปเกิดสุกติทำกรรมชั่วก็ไปเกิดไม่งันไปเกิดทุกติแต่ว่าความเกิดมันมีไวยาอีกแบบหนึ่งด้วย กนะ็คือเกิดทางจิตเนี่ยไม่ใช่เกิดจากท้องแม่เท่านั้นก็คืออยูกบกรรมเวลาเราเช่นอยู่อย่างเนี่ยคนที่ตั้งใจเรียนนะขยันเรียนถึงเวลาจะสอบข้ามอัธาลก็ตั้งใจเรียนนะพยายามจะศึกษาหาความรู้ทำแบบฝึกหัดทําบททดสอบติวที่ไหนก็ไปเรียนที่นั่น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 หรือว่าบางคนเนี่ยก็พยายามรักษาสุขภาพดีร่างร่างกายก็เพียวรู้สึกว่าฉันเป็นคนสวยเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าฉันเป็นคนสวยนี่ก็เรียกวความเกิดมันเกิดขึ้นแล้วพบเข้าสู่พบเรือกพบชาติทำชั่วมันก็สัว่วฉันเป็นคนเลวหรือว่าไม่ขยันขันแข็งฉันเป็นคนล้มเหลวอันนี้ก็เกิดเหมือนกันนะ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 อันนี้แหละที่อาจารย์วุฒิวัตายก่อนตายให้มันปฏิบัติให้จนถึงขั้นตายก่อนตายใชก็คือตัวกูมันตายหรือว่าความยึดมันในตัวกูมันดับไปถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาหมดลมหัวใจหยุดเต้นนะก็ไม่มีความทุกข์อะไรนะมีแต่เวทนาซึ่งเป็นเรื่องของกายเอาคำนี้มพูดกันเท่านี้นะเอากรับฮะ